หลวง่ ม, มาเร็วไปห้านาทีนั่งภาวนาไปประเทศที่เชียงใหม่ประเทศเสร็จแล้วก็มีให้นั่งภาวนานี่เราอย่าไม่ถึงเวลาเรานั่งภาวนากันก่อนนั่งภาวนาแลนั่งเจริญสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจดูร่างกายก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้แต่ให้จิตมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อนอยู่กับลมหายใจนะก็รู้สึกตัวหายใจไปอยู่กับเวทนาแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่เวทนาเกิดขึ้นในร่างกายเวทนาเกิดขึ้นในจิตใจเราก็รู้สึก <Hey. S 1> ให้ใช้จิตเป็นเครื่องอยู่ก็ได้จิตมีความสุขเราก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้ <Yeah. S 1> จิตเป็นปุสนจิตเป็นอภสุจีร่รู้นั่งดูมันไป นั่งขั้นแรกก็รู้สึกตัวไม่ใช่นั่งคิดนะนั่งรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดนะูเวลาเรานั่งภาวนาบางทีใจก็หนีไปคิดให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิดะ่ะเมบ่อทีใจก็ไปเพ่งไปเพ่งลมหายใจไปเพ่งท้องให้รู้ว่าไปเพ่งละ่ะ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 กลับ้านอาบน้ําอาบท่าสบายนั่งภาวนาสักสิบนาทีนี่หลวงพ่อก็ฝึกอย่างนี้นะแล้วเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจําวันการจเจริญสติในชีวิตประจํำวันนี้กมีสติอีกนั่นแหละแต่ไม่ใช่ให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวเวลาเราทําในรูปแบบนะเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับพองยุบแล้วคอยรู้ทันจิต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 ถ้าหูหนวกด้วยยิ่งเก่งหนักขึ้นไปอีกเป็นโรคเรื้อนนะไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเนี่ยร่างกายไม่รู้สัมผัสเนียยิ่งเก่งใหญ่เมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเอาจิตออกจากสมาธิได้แล้วเริ่มซึมแล้วลืมตาไว้ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าให้จิตซึมซึมเป็นชื่อของส้วมห้ามเรียนแบบรู้สึกไหมรู้สึก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 แต่ดปิกิริยาเป็นกุศลอกุศลขึ้นมาเรามีสติรู้ท <bara> ันพอหูไ so, ด so, so, so. like, ้ยินเสียงนะอย่างเพลงนี้เพลงนี้เราชอบได้ยินแล้วมีความสุขเพลงนี้ได้ยินแล้วเศร้านะไม่ใช่ฝึกไม่ฟังเพลงทีหูมีอยู่มันได้ยินเสียงอย่างเนี้ยตอนเนี้นกเขามันร้องได้ยินไหมมันไม่ยอมร้องแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้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 รู้ทันใจที่กลัวเนี่ยการปฏิบัตินะไม่ได้ยากอะไรหรอกคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื venue, ่อยๆตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบอารมณ์ไปความรู้สึกมันเปลี่ยนเราคอยรู้ทันเดี๋ยวก็สุข <courtyard. S 1> เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวก็ยินดี <laughs> เดี๋ยวก็ยินร้ายใจมันคิดคิดเรื่องนี้มีความสุข <laughs> คิดเรื่องนี้มีความทุกข์ <laughs> คิดเรื่องนี้เป็นกุศลคิดเรื่องนี้เป็นอกุศลเราก็คอยรู้ทันใจของเรา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 จริตนใส่คนไม่เหมือนกันถ้าคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็เหมาะกับการดูไกลคนไหนคิดมากจิตใจเปลี่ยนตลอดเวลาอะไรกระทบอารมณ์ปุ๊บใจมันเปลี่ยนกระทบอารมณ์บใจมันเปลี่ยนเห็นดอกไม้สวยก็คิดต่อละแหมอยากเด็ดแนละอยากจะเอาไปให้คนนั้นก็ น, นี้นคิดต่อไปไกลเลยส่วนพวกตัณหาจริตรักสวยรักงามเห็นดอกไม้สวยก็เคลิมอยู่กับความสวยอยู่งนี้ไม่คิดมาก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 ไม่มีใครเขต่ขอเรื่องให้เราเราก็ก่อรเรื่องเองนะคิดเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองได้ทั้งวันหาเรื่องคิดไปเรื่อยให้เราคอยมีสตินะเนี่ยเรียกเจริญสติในชีวิตจริงๆอย่างคนไหนถนัดดูกายนะกวาดบ้าน ก, ก็ปฏิบัติได้กวาดบ้านไปเห็นร่างกายมันกวาดบ้านใจเป็นคนดนะูเห็นร่างกายกวาดบ้านใจเป็นคนดูเนะห็นร่างกายมันเดินไปมันเหลียวซ้ายแหลกขวามันขยับไม้ขยับมือ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 ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอ น, นามากมายมหาศาลอย่างแค่ทมสมถะสมถามีทั้ง40สบวิจนะิกรรมฐานสนะี่สิบเป็นกรรมฐานสำหรับนักคิดนะอยู่สิบอย่างเรื่องอนุสติแล้วยังมีเรื่องการพิจนาอาหารเป็นปฏิกูล น, นี้ก็เหมาะกับพวกคิดมากอีกเหมือนกันนะกรรมฐานบางอย่างนะก็เหมาะกับพวกที่พากเพียรอดทนนะซ้แล้วซ้ำอีกดูไปด้วย พวกเพ่งกสินพวกนี้ไม่ได้คิดอะไรมากคิดมากทากสินไม่สําเร็จอนะ่ะเช้าคุณนอถึงบอกกสินเป็นกรรมฐานของคนโง่ควจริงไม่โง่อะไรนะคือ พ, พวกไม่อยากคิดนะเพ่งอย่างเดียวเลยเพ่งสบายคิดมากไม่สงบเลยอย่างเพ่งกสินสมมติเพ่งกสินสีแดงเอาเพ่งไปนะถ้าเป็นนักคิดโอ้สีเหมือนลิปสติกเลยนะ่ะฝ่ายโน้นลนะคิดถึงสาวคนโน้นคิดถึงสาวคน น, น, นี้ลืมกสินไปแนละ้วนี่พวกคิดมาก พวกไม่คิดมากโอ้สีนี่สวยใจจดจ่ออยู่กับสีนี่ไม่ไปที่อื่นมีความสุขมีความสงบก็ได้สมถาขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไว้ตั้งเยอะแยะนะแค่สมถนะพระรุ่นหลังท่านมารวมขึ้นมาสี่สิบอย่างความจริงมีมากกว่าสี่สิบแต่ว่าสี่สิบนะี่รวมมาไว้เป็นตัวอย่างกรรมฐานพิเศษพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็มีนะอย่างมีคนนึงเป็นช่างทอง เป็นช่างทาทองไปบวชด้วแล้วก็มาอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็พิจรณาเลยลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเป็นช่างทองอยังหนุ่มด้วยถ้าจะราคะจริตราคะจริตเนี่ยต้องใช้กรรมฐานอะไรพิจรณาอสุภะเนี่ยท่านท่านคลิกตําราสอนเลยนะพระสารีบุตรนี่ขนาดสาวกอัครสาวกที่เลิศด้วยปัญญานะปรากฏว่าพระวงค์นี้ทนไม่ไหว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 เอาไปปักไว้กับทรายนะไม่มีจกกักนเนี่ยไปปักทรายอยู่ข้างกุฏิแล้วไปปักที่ร่มๆนะนั่งดูให้สบายใจท่านได้ดอกบัวสวยมาท่านไปปักโอ้มันแดงนะมันสวยนะหนึ่งจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนในประเภทเนี้ย <c oughs> สวย <c oughs> พอชอบแล้วเกิดความสุขเกิดความสุขได้อะไรสอนไปเยอะๆได้สมาธิ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 เนี่ยท่านก็ได้เปลี่ยนผ้าละหันนะเห็นไหมกรรมฐานกรรมฐานหลากหลายนะเนีย่ยซุ่งถ้าอาจารย์คนหนึ่งทําให้ดอกบัวเหลืองมาดอกบัวขาวมาเราจะไปบอกว่าไม่ได้ต้องดอกบัวแดงเท่านั้นนั่นงโง่แล้วเห็นไหมใครเขาจะดูดอกอะไรก็ช่างเขาเไปรไย์ถ้าจริตนิสัยมันแตกต่างกันมันก็ใช้กรรมฐานที่ต่างกันหรืออย่างพระจุลปันตกะนะบวชไปอยู่กับพี่ชายพระมหาปันธกะ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 นัขยี้แล้วก็บริกรรมระโชหรนังระชังหรติจำได้ไหมบทที่พระเจ้าให้นะฟังทีเดียวก็จำได้แนละ้วระโชหระนังระชังหรติถ้าจำไม่ได้ทำไงก็ปเปลี่ยนบทสิพุโทโธพุโทโธจำได้ไห ม, มจะต่างอะไรกันเหมือนกันแหละขยี่ผ้าไปผ้าที่ขาวเนี่ยค่อยๆดำท่านก็ดูผ้าเมื่อกี้ขาวตอนนี้ดำนะโสกปลก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 เรางปู ด, ดูเนี่ยความแตกฉานท่านมากท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนสอนทําสมถะนะท่านให้ดูผมเส้นเดียวบางคนให้ดูกระดูกบางคนให้ท่องพุโทโธบางคนให้ปรับฟองจิตให้นิ่งความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งอะไรนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ชั้นเลิศท่านบอกเราได้ว่าเรามอกับกรรมาฐานอะไรทําอย่างนี้แล้วจิตจะสงบทําอย่างนี้แล้วจิตจะมีปัญญาท่านบอกได้ ถ้าไม่มีเราต้องใช้โยนิโสมนัสิกานะช่วยตัวเองแยบคลายช่างสังเกตเาสังเกตดูว่าจิตเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมันมีความสุขแล้วไม่ยั่วกิเลสด้วยนะจิตมันจะมีสมาธิขึ้นได้ง่ายๆอย่าไปเค้นจิตให้เกิดสมาธิบางคนอยากทำสมาธิาไปบังคับจิตให้สงบจิตไม่สงบจิตไม่ชอบให้ใครบังคับต้องสบายต้องมีความสุขนะนี่เรื่องของสมร t เรื่องอารมณ์ที่มีความสุข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 ไปหัดนั่งสมาธิเจดวันเท่าได้เนวสัญญาณาสัญญายาตนะจบหลักสูตรนลฤศีนะสงบสงบนิ่งอยู่งนะั้นพอออกมาจากสงบในกิเลสมาใหมนะ่ถ้าเลยรู้ว่าไม่ใช่ทางคราวนี้มาถึงวิปนะัสสนะาวิปัสสนาเนี่ยจากัดอารมณ์สมาธาไม่จํากัดอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้บัญญัติคิดขึ้นมาก็ได้วิปัสสนาเนี่ยต้องรู้อารมณ์รูปนามต้องรู้กายรู้ใจรู้สิ่งซึ่งมันรวมกันเป็นตัวเรา นะมีอยู่จริงๆด้วยไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นลอยๆในอากาศพูดนะง่ายๆคอยรู้กายรู้ใจรู้รู้เวทนาก็ได้นะท่านสอนไว้ในสติปัฏฐานในสติปัฏฐานเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นวิปัสสนานนะแต่ว่าบางส่วนมีสมถะเจือปนอย่างการพิจารณาเรื่องปฏิกูนะอาหารปฏิกูลเรื่องอะไรพวกนี้อันนั้นะนะเป็นสมถะหรืออนาปนสติเนะเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา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 แต่พอจิตสงบจิตสบายแล้วอย่าอยู่แต่ความสุขความสบายมาหัดรู้สภาวะไปเช่นสบายขึ้นมารู้ว่าสบายเมื่อกี้ไม่สบายตอนนี้สบายสบายไปพอเรารู้ทันนะมันก็กลายเป็นเฉยเฉยสบายหายไปเฉยเฉยเกิดขึ้นนี่ก็คอยรู้ทันว่าจิตมันเฉยเฉยแลจิตเป็นกุศลบ้างเป็นอกกุศลบ้างหนีไปคิดบ้างนะจิตหนีไปคิดจะจิตฟุ้งซ่านทีก็จิตหดหูนะจิตมันเป็นไงรู้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยตอนที่ทําในรูปแบบเราหัดรู้สภาวะ ของกายของใจแล้วแต่แต่ละคนนะคนไหนถนัดรู้สภาวะของกายก็รู้ไปคนไหนถนัดรู้สภาวะของจิตใจก็รู้ไปรู้ไปเรื่อยแต่่อไปสติมันอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้เองเช่นกำลังเผลออยู่นะเกิดขยับตัวปับ๊บพอขยับตัวปั๊บเนสติเกิดเองเลยรู้ตัวขึ้นมาเมื่อกี้เผลอไปแล้วหรือกำลังดีใจอยู่นะดีใจพความดีใจผุดปั๊บขึ้นมา เมื่อกี้มันเฉยๆนะตอนนี้มีความดีใจผุดแป๊บขึ้นมานะมันเห็นนะความดีใจผุดขึ้นมานี่สติอัตโนมัติมันเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้เลยนะมันรู้เองถ้าเจตนาจะรู้ใช้ไม่ได้หรอกจิตจะแข็งกระด้างนื้อออกไหมเวลาที่เราเจตนาดูจิตนะจิตจะแข็งทื่อๆนื้อออกไหมเอาละต่อไปนี้ดูจิต <c oughs> จะไม่มีอะไรให้ดูนิ่งๆทื่อๆซื่อบื้อสารเอืนะอทั้งนั้นเลยซื่อบือ้อทื่อๆแล้วพวกนี้แถมด้วยดือ้อ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 ตัวเองกลิ้งไปทางไหนนี่เห็นหมดเลยนะเห็นเหมือนเห็นตัว ก, วการ์ตูนอะพลิกเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตคิปคลิ ป, ป, ป, ป, ปจะเห็นนะเนี่ยหัวกํา ล, ะะลังจะคขกแล้วหลอกซะหน่อยนั่นทําได้นะสติมันเร็วขึ้นมาเนี่ยสติมันอัตโนมัตินะฝึกแปเครื่องมืออีกตัวหนึ่งกนะ็คือความตั้งมั่นของจิตที่หลวงพ่อบอกถ้าจะเจริญวิปัสสนาเนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง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 นั่นแหละจิตดวงนั้นแหละคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะท่านทํำยังไงท่านนั่งหายใจไปพอท่านหายใจไปนะลมหายใจค่อยสงบประนีดนะลมหายใจสงบประณีดนะค่อยสั้นลงสั้นลงงั้นในประสูตรเนี่ยจะเริ่มต้นบอกหายใจยาวรู้ว่าหายใจยาวใช่ไหมหายใจสั้นรู้ว่าหายใจสั้นตอนลวงพ่อเด็กๆจะงงทําไมไม่หายใจสั้นก่อนแล้วพอจิตสงบแล้วมันหายใจยาวรู้สึกอย่างนี้ไหม พอหายใจพอสงบนะีหายใจนานมากเลยหายใจยาวความจริงสั้นตรงไหนสั้นที่นี่มันรวมลงมาที่จุดเล็กๆจุดเดียวเองลมมันจะตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นนะมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวแสงสว่างก็เกิดขึ้นนะตอนที่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะตัวนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นบริกรรมนิมิตนะเป็นนิมิตเบื้องต้นเลยบริกรรมนิมิตนะพอจิตไม่ค่อยสงบขึ้นมานะลมมันตื้นตื้ น, ต, นตื้นขึ้นนะ ลมมาหยุดอยู่ในจุดเดียวกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาตรงแสงสว่างนี่เรียกว่าอุกขหะนิมิตนะทิ้งบริกรรมนิมิตไปไม่ต้องไปกลับไปหาลมหายใจอีกนะพอหายใจจนสว่างขึ้นมาแนละ้วไม่ต้องไปหาลมอีกก็ ร, รู้ความสว่างไปน ะ, ะกลายเป็นปฏิภาสย่อดได้ขยายได้นะจิตมีปีติมีความสุขขึ้นมานท่านก็เดินมาอย่างเนี้ท่านมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นนะท่านยังไม่ขาดสติท่านมีสติอยู่ไหมต่างกับเข้าสมาธิเหลวไหลนะนั่งแล้วขาดสติ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 พระละหันส่วนใหญ่นะเป็นพระอาหารสุขวิปสัสกสกะไม่ชํานาญในเรื่องชานะพระอะหันส่วนใหญ่คือคนอย่างพวกเรานี่แหละนะแต่เดิมก็หลอยถ้วยพอๆกับเรานี่แหละนะฟุ้งซ่านพอๆกับพวกเรานี่แหละเข้าชานไม่เป็นอย่างพวกเรานี่แหละนะแต่ทํานหม่ท่านทําได้ท่านอาศัยความรู้สึกตัวเป็นขณะขณะนะเป็นขณะขณะใช้คณิกะสมาธินี่งั้นพวกเราอยา่าดูถูกคณิกะสมาธนะิจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ฝึกรู้บ่อยๆ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 เอาไว้พักผ่อนเกิดเรี่ยวเกิดแรงพอมีแรงมากๆากนะถอยออกจากสมาธิเอาแรงไปทำความชั่วได้โยกกว่าคนอื่นกพระสีงนะอย่างเทพบัตหอได้เลยนะหอไปหอมาก็หอไม่ขึ้นตอนหลังต้องให้คนเขาหามมาเฝ้าพระเจ้านะหามตองแต่งตองแต่งมากนี่เรามาฝึกนะเรามาฝึกทุกวันทำในรูปแบบวันไหนมันฟุ้งซ่านเราก็ทารูปแบบให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตก็สงบไป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 ขั้นต้นะต้องขอร้องก่อนขอตั้งห้านาทีสิบนาทีก่อนนะพออินทรีย์ของเราแก่กล้าแล้วเราทำของเราเองไม่ต้องให้หลวงพ่อเรียกร้องมนะันเพิ่มเวลาเองนะมันนั่งรู้สึกตัวแมมันมีความสุขดีกว่าดูทีวีดูทีวีมีแต่กิเลสมีไหมกิเลดูแล้วเกิดอะไรบ้างเกิดราคะใช่ไหมเห็นในโน้นใ้นีอนอนอนอ่อยากได้เกิดโทสะใช่ไหดูข่าวการเมืองเกิดกุศลไหม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 เป็นกุศนก็ได้นะส่วนมากเราดูไม่เป็นเราจะดูแต่อาภูสนนะนะถ้าทําเป็นนะอะไรๆดูอะไรมันเมตตานะมีกุศลนั่นพวกเราฝึกนะทุกวันฝึกในรูปแบบได้3ามเวลายิ่งดีนะตื่นนอนให้ไวขึ้นนิดหนึงสักสินาทีมาลองปฏิบัติกลางวันกินข้าวแล้วมาลองปฏิบัติสัหน่อยนะกลางคืนเย็นๆกลับบ้านอาบน้ำอาภัาสบายใจแล้วปฏิบัติสัหน่อยอย่ารอปฏิบัติตอนง่วง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 ถ้จิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตเป็นอย่างน้อนจิตเป็นอย่างนี้นะจิตเป็น <rene> ก hmm, yeah. so, mm ุศลนะกุศลร่างกายเป็นสุขบ้างแล้วกายเป็นทุกข์ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้ไปด้วยจะได้สตินะจะได้สติแต่ในความเป็นจริงแล้วตรงที่จิตหนีไปคิดตรารู้ทันนะมันได้ควบจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินะเพราะฉะนั้นคนไหนจะเรียกฉลาดก็ไม่ดีเหมือนว่าคนอื่นโง่เจ้าเล่ยหน่อยก็แล้วกันนะ รวบเลยคอยนั่งไปแล้วก็รู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะจิตหนีไปคิดก็คือจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนี่คือสตินะแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับก็ได้สมาธิขึ้นมาไม่ฟุ้งซ่านเห็น ไ, ไหมงั้นตัวนี้ดีที่สุดเลยถ้ารู้ทันจิต ท, ที่ไปคิดนี่ไงนะนะงั้นทําในรูปแบบนะถ้าย่อลงมาเหลือสองอันก็ได้แต่สองอันต้องรู้จักนะเลือกนะอันหนึ่งก็คือน้อมจิตไปให้สงบ อยู่ในอารมณ์ที่สบายแล้วสงบพอสงบแล้วนะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธนะิเป็นวิธีฝึกที่ง่ายที่สุดเลยนะแต่ประณีตนะประณีตจิตนั้นมันดีคิดทั้งวันรู้หรื อ, ก อ, อกไม่หลวงพ่อจะหยุดพูด10วินาทีดูซิจะคิดกี่เรื่องเอาแค่นี้พอใครได้3ามเรื่องบ้างมีไหมนี่ใครหนึ่งเรื่องคิดเรื่องเดียว คิดเรื่องเดียวคือนับมันไหมคอยนับไหมนะคิดอยู่เรื่องเดียวคิดจะนับนะบางคนนะคิดตั้งห้าหเรื่องนะในเวลาห้าวินาทีเมื่อเราใครฝึกนะถ้าฝึกได้ทําในรูปแบบไปนะได้ทั้งความสงบได้ทังสติได้ทั้งสมาธิเสร็จแล้วก็มาเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่แหละอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกนี่สติเป็นคนรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้สึกนี่สติเป็นคนรู้สึก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 ตรเมื่อว่าชาตินี้เราไม่จบนะก็าอาจจะได้โสดาหรือชาตินี้ไม่ได้โสดาเราก็มีเชื้อที่จะภาวนาต่อไปเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะมีเชื้อตอนเล็กๆไปนั่งใต้ต้นไม้ทําไมตัวรู้ผุดขึ้นมานั่นคือจิตที่ตั้งมั่นผุดขึ้นมาจิตที่มีสติมีสมาธิผุดขึ้นมาเมื่อแล้พอถึงเวลาที่ท่านจะมาเดินปัญญานะท่านมาเดินง่ายงั้นถ้าพวกเรายอมลำบากตัแต่วันนี้นะภาคเพียรอดทน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 เรียนจะบ้างนะอ่ะเท่านี้ก่อนนะวันนี้ว่าจะผ่านนั่งสมาธิน่ว่าจะขีข้โกงเสร็จแล้วก็อดเทศไม่ได้เลยกลายเป็นเทศยาวกว่าปกติกราบ น, นนะมัสการค่ะหลวงพ่อครั้งก่อนไม่กล้าส่งกันบ้านครั้งนี้ก็ อ, อมีติ์อยู่อย่างหนึงอยู่มานเดือนหนึ่งแล้วอะค่ะือ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 กิริยาอาการนะแบบพระเจ้าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกมานะเวลาท่านเทศน์นะท่านจะมนะีเราไม่ทำให้เหมือนนะเดี๋ยวว่าล้อเลียนครูบาอาจารย์แต่เห็นแล้วน่ารักนะครับหลวงปู่สิทมาบอกหลวงพ่อว่าอย่ามัวแต่สงสัยให้ทำต่อไปเราก็มาดูทีหลังนะภานาไปแล้วถึงมารู้ทีหลังจิตม่เกิด น, นิพพิทา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 S <S <S <S สมัยก่อนครูบาอาจารย์ตรงนี้ผีดุท่านก็ไปนั่งตรงนี้เสือดุท่านก็ไปนั่งอย่าเงี้ยเดี๋ยวนี้หายากแล้ววัดหลวงพ่อมีแต่แค่งูเหา่างูเห่ามันก็ไม่กัดไข่สวยนะงูน่ารักขออีกคําถามหนึ่งค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าเคลิมบ้างพรเคลมต้องให้จิตหลุดออกมาอย่าให้จิตติดนิ่งอยู่ข้างในนะ ให้จิตมันหลุดออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่ถ้าจิตติดอยู่ข้างในแล้วมันซึมไป ม, มันเหมือนกับว่าพอพอนั่งใหม่ใหมปุ๊บเนี่ยเคลิมปุ๊บเหมือนจิตสติมันดึงกลับมาแต่ว่าพอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงนะสาวขามันจะเหมือนเคลิ้ ม, มหมดแรเออมันหมดแรงนะก็เปลี่ยนอิริยาบทไปออหรือว่าถ้าจะเคลิมจริงนะหลวงพ่อมีพัดอันหนึ่งนะหลวงพอ่อ น, นั่งนะ พ, พัดเลยนะถ้าเคลิมแนี่พัดก็ตีหัวตัวเองบ้างพัดตอกบ้างก็รู้สึกขึ้นมาอีก หาเครื่องช่วยมันบ้างเขาหนูไม่มีอะไรมากอะนะบอกให้ก็ได้จิตนเข้าไปล็อกอยู่ข้างในไปล็อกนิ่งๆอยู่ข้างในมันซึมแอคจีบไหมแอคจีบอย่างงี้นะปล่อยตัวเองออกมานะมันก็จะหายอ้าคนที่สองมีแต่ผู้หญิงเหรอวันนี้ถ้าผู้หญิง12คนผู้เล่นหนางสิบสองนะ <c oughs> มีวิชาคนเดียวเหรอ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 ปัญญาเกิดไม่ใช่เพราะมันเจริญตลอดนะแต่ปัญญาเกิดเพราะมันเจริญแล้วเสื่อมมันจะเห็นเลยทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้ดีไปทําอีกเนี่ยช่วงนี้มันจะเห็นความไม่เป็นกลางบ่อยอะค่ะดีเริ่มฉลาดแนละ้วแล้วก็แต่มันยังเป็นมันเห็นด้วยเพราะสติใช่ไหมคะยังไม่ใช่เพราะปัญญาเห็นด้วยสติถ้าเห็นด้วยปัญญานะเห็นโลกนี้เท่ากันหมดเลยนะสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดเลยจิตไม่พลุงต่อ จิตไม่ปรุงต่อแล้วแต่ไปจิตรวมก็อภนานะเห็นทุกอย่างไหลามาไหลไปจิตเป็นกลางแท้ๆเลยแล้ ว, ลวอริยมรรคก็จะเกิดแล้วเราจะช่วยนํามันยังไงะคะให้มันแบบดูเน้นปัญญาค่ะอย่าให้ติดนิ่งติดเฉยแล้วดูกายดูใจเขาทางานเรื่อยไปนะเพื่อเกิดปัญญาเป็นมาอย่าให้ใจประคองใจให้นิ่งไม่เป็นห อ, อกอย่าเพียบกลัวเลยมีแต่จะฟุ้งไปด้วยซ้ำไปขอบคุณค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะออส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อสองปีที่แล้วค่ะก็ตอนเนี้ค่ะว่าเวลามีโทรสระถ้าเป็นโทรสระเล็กๆะคะ่ะก็จะเห็นทันแล้วก็เห็นอย่างเป็นกลางก็จะดับแต่ถ้าโทรสระตัวใหญ่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยจิตใจมันจะดิ้นนะคะรู้สึกว่าใจมันดิ้นดิ น, ดนอพอสักแป๊บหนึ่งเห็นอีกทีก็คือเห็นตัวเองยืไปยืนเถียงกับเขาแล้วะคะ่ค่ะก็ รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะใจไม่ตั้งมั่น<อ>ก็กลับมาทําสมาะนะคะหลพ่อพอกลับมาทมําสมาธะเนี่ยก็ดูลมหายใจพอดูลมหายใจรู้สึกว่ามันแน่นก็ดูไม่ได้าานะถ้าเราทําสมาธะแบบบังคับให้แน่นๆนิ่งๆนะแล้วพอนิ่งออกมาพอออกจากสมาธิแนละ้วเราจะยิ่งขี้โมโหกว่าเก่าอีกใช่ค่ะพอพ่อทำใช่ไม่หลอกหรอกพอรู้สึกว่าโทสะตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกะแก้ผิดวิธี ก็ฟังซีฟังซีดีหลวงพ่อว่าหลวงพ่อให้มาทำพุทให้พุทธโทก็กลับมาทําพุทโทปรากฏว่าเวลาพุทโทเนี้ยเอาพุทโทกับลมหายใจไปผูกด้วยกันก็คือพุทเท่าโทออกเนี้ยยิ่งก็เลยยิ่งแน่นใหญ่ไม่ไม่อย่าไปทําอย่างนั้นก็เลยจะต่อไปเวลาทํำไมโทสะเล็กๆเราสู้ไหวเพรสติเราเล็กๆนะโทสะใหญ่ๆเราสู้ไม่ได้เพราะมันใหญ่กว่าสติของเราเราก็ฝึกสติบ่อยๆ อะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันนะแล้วก็คอยสังเกตเอาใจไม่ชอบโทสะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเพื่อีกเพิ่มกําลังของสติเพื่อวิมหลวงพ่อข้จะขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนํากรรมฐานที่จะใช้ในการทําสมถะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเจริญเมตตาไหมสิถ้าเราขี้โมโหเจริญเมตตาไปพวกที่ขี้โมโหนะเพรภาวนา คนทุกคนร้อนไปแล้วนะจะเมตตาสูงนะแปลก ม, มีครูบาอจาเนีอย่างหลวงปูเขาวหลวงูขาวขี้โมโหนะอขอท่านภาวนาได้ดีแล้วนะท่านเมตตามากเลยเมตตาพอเราจเจริญเมตตาย่อยๆหน่อยดูคนอื่นด้วยความน่าสงสารบ้างนะดูตัวเองมันก็น่าสงสารแล้จิตนี้ก็น่าสงสารอย่าเป็นโมโหจิตอีงนะ จิตของเราเองก็ตรากตรำ ม, มากเลยวันๆหนึ่งเหนื่อยสารพัดอยู่แล้วยิไปโมโหมันอีกนะนี่ยหัดสงสารจิตของตนเองบ้างนะแล้วสต่อไปก็สงสารคนอื่นบ้างนะจเจริญเมตตาแ้่นะสมาธีมจะเพิ่มค่ะแล้วเวลาทํากรรมฐานเวลาจะทําในรูปแบบนะคะหลวงพ่อจะใช้วิธีไหนดีคะเวลาจเจริญ <ใน S 2> เมตตาไปก็ได้นั่งจเจริญเมตตาเออหรื อ, รอสวดมนต์ไปก็ได้อะไรนะทำใจให้สบายให้มีความสุขอะนะ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 เ, เมื่อก่อนรับโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ได้ทุกเลยรู้สึกจใจสบายแต่พอรับโทรศัพท์แล้วก็มีความทุกข์ก็คิดว่ากายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้มีเหตุมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ทราบว่าพอใบ้ๆเนี่ยรู้สึกว่าพอมาดูความทุกข์อีกทีหนึ่งความทุกข์มันก็จางลงไม่ทราบว่าอย่างนี้เป็นการพิจารณาไตรลักษณ์หรือเปล่าคะเป็นการคิดพิจารณานะเพราะงั้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะแต่ว่าเบื้องต้นจะคิดอย่างนี้ก่อนก็ได้อย่างน้อคิดแล้วก็สบายใจแหละได้อะไรได้สมถะ ได้สบายใจถ้าไตรลักณนี่ต้องเห็นเอามิปัสฉนาไม่ได้แปลว่าคิดปัจฉณะคือการเห็นการเห็นอย่างวิเศษหรือการเห็นแจ้งเห็นตรงความจริงว่าเป็นไตรักษณนั่นแหละขอบคุณค่ะหลว ง, พ, าาลง พ, พ่อธรรมสการ์ค่ะหลวงพ่อคือตัวเองนี่ยนะคะฝึกมานานแล้วแต่ ว, <ม>ว่าเป็นกยกยกใหม่ใกล้ใลักษณะของออครูพระลักจำค่ะ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 ตอนนี้ต้องเจริญสติก่อนต้องมีสติให้เยอะก่อนอถ้าขาดสติก็ทําสมถะไม่ได้ขาดสติก็ทําวิปันสนาไม่ได้หัดรู้สึกตัวก่อนให้รู้สึกตัวก่อนโอ้รู้สึกตัวบ่อยๆนะค่ะใจหนีวิคิดเรารู้เนี่ยใจหนักขึ้นมาใจเบาขึ้นมาไปรู้หัดรู้ก่อนหัดสติก่อนค่ะเออถ้าอยู่ๆไปทําในรูปแบบเลยนะเราไปบังคับจิตมากเครียดเครียดมากๆทนไม่ไหวสติแตกไม่ดี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 แก้แล้วก็ไปเจอทุกอันใหม่อะค่ะโดยเฉพาะทุกที่แรงๆปัญหาทางโลกหรืออะไรหรือปัญหาในจิตเป็นปัญหาทางโลกค่ะปัญหาทางโลกต้องแก่นะไม่ใช่ศัก์แต่ว่ารู้ว่าเห็นนะแต่ว่าแก้ด้วยแก้ด้วยจิตนะคะไม่ได้กลางปัญหาจิตเป็นกลางตันนี้จะต้องคือต้องแยกกันระหว่างปัญหากับทุก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 ก็ให้รู้ทันความอยากใช่แต่ว่าทางโลกต้องแก้ปัญหานะอย่างหลวพ่อเคยเจอคนหนึ่งลูกมีปัญหาลูกติดยาอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็เจริญปฏิบัติธรรมบอกสักว่ารู้ว่าเห็นบ้าแล้วพ่อแม่อะไรอย่างนั้นทำผิดหน้าที่แล้วก็ทราบว่าต้องแก้ค่ะแต่ว่าแก้ด้วยความไม่เป็นกลางแล้วรู้สึกยิ่งทุกหนักขึ้นยิ่งนั่นั่นต้องแก้ที่จิตเราก่อนนะขจัดความทุกข์ออกจากจิตซะก่อนด้วยสติปัญญาความทุกข์มาจากความอยาก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 ดูสภาวะเลยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นมันจะเดินแต่ปัญญามันไม่ยอมพักสิค่ะบางทีเขาก็ไปดูกายบางทีเขาก็ดูจิตอย่างเงี้ยถ้าจะให้มันพักนะก็น้อมใจไปน้อมใจไปอยู่กับพุทโธไม่ไปพิจารณาอะไรทั้งสิ้นไม่ไปดูอะไรทั้งสิ้นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไม่ให้มันหนีไปดูเกิดดับก็ปล่อยเขาไปเองค่ะบางทีเขาจะมาปล่อยมากไม่ได้เดือยฟุ้ง มันจะฟุ้งไปเพราะงั้นถึงเวลาที่จะทําสมถะนะเราก็น้อมจิตเข้าไปไปอยู่กับลมหายใจอะไรเนี่ยเวลามันจะหนไปที่อื่นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมแต่กลับมานุ่มๆ น, น ะ, ะตัวนี้เป็นศิละปะต้องมานิ่มๆ ม, มาสบายๆแล้วไปดึงมาแรงๆ แ, แข็งไปไม่สงบค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วตอนนี้เนี่ยตัวรู้ของโยมนี่ไม่ทราบหายไปไหนคะ่ะมั น, ม, นมันมาแอแบๆบเนียนไม่เียตยงตัวรู้ยังเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอเพราะมันมีเที่ยง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 สภาวะจิตของโยมเนี่ยเวลานั่งฟังหลวงพ่อหรือว่าภาวนาหรืออะไรอย่างนี้ยังมีชาดไม่จบสิ้นหรือว่าเสื่อมแล้วจิตมัจะไม่ยอมทําสมาธิสิมันจะเดินปัญญาอย่างเดียวนะเขาเป็นอย่างนั้นเองนะคะธรรมดาคนเคยเดินปัญญาแล้วไม่ค่อยชอบทําสมาธิแล้วคับครั้งสุดท้ายที่ทำเนี่ยเขาแบบรู้ว่าเออเดี๋ยวจะไปช่องนี้เดี๋ยวจะตกผวังอีกสองครั้งเดี๋ยวจะอะไรอย่างนี้เขาก็เลยถอดออกมาเลยค่ะนั่นเปนคิดนำไปแล้วปัญญามันล้ําไป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 ไม่มีแรงจะน <ไป S 1> ั้งไปทําสมถะขึ้นมากลับไปทําสมาธค่ะกลับขอบพระคุณค่ะกลับมาสักการหลวงพ่อค่ะคือว่าหนูอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เพิ่งได้ฟังซีดีหลวงพ่อจากทางเว็บวิมุตติ .net เ่ะคะอยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูพอจะเข้าล่องเข้าลอยอะไรหรือเปลโอ้ยมีศีลไหมมีคะ่ะเออนั่นแหละเข้าลองเข้ า, ขารอยละจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างไหม บางทีก็อยู่บางทีก็เนี่ยแกบบ็เข้าร่องเข้ารอยบ้างนอกร่องนอกรอยบ้าง <c oughs> <laughs> เห็นกายเห็นใจแยกออกจากกันไหมเห็นค่ะตอนนั้นสมาธิเข้าร่อง <h isa> เข้ารอยแหละ ต่ว่าอยากจะเรียนถามหลวงพ่ออย่างหนึ่งอะค่ะคือฟังจากซีดีหลวงพอ่อค่ะหลวงพ่อบอกว่าถ้าเรามีสติระลึกรู้คือเราเผลอไปเราก็รู้อะค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าเรารู้ปุ๊บอย่าไปดึงมันกลับม า, าค่ะ ม, มันคือหมายความว่ายัางไงคะเพราะว่าเรารู้เราก็ก็รู้อะค่ะมันก็เหมือนกับไม่เห็นไม่ถ้าถ้าแค่รู้เฉยเฉยนะใจมันจะไม่แน่นถ้าไปอยากให้มันมาแล้วออกแรงดึงมานะใจจะแน่นเลยอย่างนี้ไม่ดีเราลองลองดูสิว่าพอเผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอใจมันแน่นไหม คือตอนแรกแว็บแรกค่ะมันจะไม่แน่นค่ะเพอแว็บต่อไปมันจะแน่นไปหมดเลยค่ะนั่นนั่ไอ้ที่ถูกคือแวบแรกเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้แน่นล่ะคะทำไม่ได้ใจมันโลภอ๋อก็ดูว่ามันแน่นไปใช่ไหะก็ดูมันแน่นไปแน่นเป็นวิบากแล้วนะเป็นผลจากการกระทํากรรมของเราแล้วก่อนที่จะเกิดความแน่นซึ่งเป็นวิบากเป็นผลเนี่ยมีกิเลสมาแล้วมีการกระทํากรรมมาแล้วกิเลสคืออะไรกิเลสคืออยากดีอยากรู้สึกตัว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 รู้ทันความอยากนะรู้บ่อยๆอหน่อยไม่แน่น<า>มันแน่นได้เพราะอยากแล้วหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนํานี่แนะแล้วนะไปดูความอยากบ่อยๆกรับขอบคุณหลวงพ่อค่ ะ, รคคะกราบนมรมสการค่ะคือรู้สึกว่ากิเลสมันเยอะมากแล้วก็จิตใจมันชอบไปอยู่กับอกุศลตลอดเวลา อ, อย่าไปอยู่กับมัน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 ดังนั้นทั้งนั้แทนที่จะให้มันคิดอกุศล น, นะให้มันคิดอยู่ในร่างกายของเรานะพามันมาคิดเลยนะจะ ค, คิดเรื่องร่างกายก็ได้ร่างกายตั้งแต่ผมถึงเท้าเท้าถึงผมนะไล่ดูไปทีละส่วนทีละส่วนอย่างนี้ก็ได้ไม่เปิดช่องให้มันคิดอกุศล น, นะหรือยังคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พุทธเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นตอนนั้นที่เหมือนที่คนคุณเนี่ยค่ะที่บอกว่าโทรศัพท์แล้วเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอะเราควรจะเจริญเมตตาหรือเปล่าแล้วก็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 ตอนที่นั่งในรูปแบบค่ะแล้วมันเห็นว่ามันมีโทสะแรงขึ้นมาเนี่ยนะคะก็รู้พอพอตั้งเวลาไว้ค่ะพอหมดเวลาปุ๊บเนี่ยรู้ว่าโทสะแรงอยู่เนี่ยขนาดว่าจะสวดมนต์เนี่ยค่ะมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งเพราะใจมันไม่เอาอย่าไปบังคับมันรุนแรงนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือรอรอดูมันไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันลดลงก็คือรู้ทันใจของเราใจเรายินร้ายรู้ทันมันไปเรื่อยแล้วก็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 ต้องสู้กล่าวณมัจ ก, การโทษกิเลสลองโลกนะเจ้าโลกตัวจริงเลยไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่จีนหรอกกล่าวณมัจ ก, การหลวงพ่อค่ะ เ, เคยปฏิบัติแบบพองยุคมา15ปีนะคะแล้วเครียดมากแล้วก็ได้ไปกล่า บ, บหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมตอน 4-5 ปีหลังมาก็เปลี่ยนรูปแบบปฏิบัติมานะคะตอนก็ดูจิต ด, ดูกายไปเรื่อยทีนี้เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหา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 แทนที่จะต้องไปคิดค้นกว่าอะไรมากมายนะรู้ซื่อเลยรู้ลงสบายๆรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยนะมันดิ้นดนเยอะไปใช่ค่ะเป็นคนคิดแล้วต้องค้นให้ได้เลยว่ามันต้องแบบนี้แบบนี้พยานัมนแหละเป็นจุดอ่อนนะค่ะอย่าไปเชื่อมันใจแข็งๆไว้โง่ก็โง่คิดอย่างนี้นะโง่ก็โง่แต่จะรู้ลงปัจจุบันเอาปัจจุบันลูกเดียวเลยค่ะ เราทำตัวนี้ได้ก็ผ่านตัวนี้ได้แหละไม่งั้นจะคิดไปทั้งชาติแหละค่ะอะต่อไปมัสการค่ะมเมื่อวันที่สองมกราห้าสี่นี่คะไปที่สวนสันิธรรมช่วงพักนะคะมีคุณคนหนึ่งมาเป็นเททำให้กาแฟหกรถกางเกงโยมแล้วโยมหันไปเห็นชายเสื้อขาวเลอะเลอะ ก, กาแฟโยมก็รู้สึกโกรธ แล้วก็ยืนขึ้นยืนขึ้นคำสอนของท่านเข้ามาในใจว่าให้ถือศีลเก็บมือเก็บมือเก็บปากพอพอพอเสร็จแล้วก็แวกเท้าด้วยนะมีเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากแล้วก็แวบขึ้นมาว่าอ๋อเขาเป็นเหตุมาทำให้โยมโกรธแสดงว่าโยมต้องดูโยมก็เลยโยมก็เลยดูดูความโกรธในใจโยมระหว่าง แต่ตอนที่นั้นลืมตาลืมตาอยู่แต่พอพอนึกถึงคำสอนของท่านน่ะตาเนื้อโยมไม่เห็นแล้วโยมเห็นตาใน่อยโยมก็เห็นมีจิตสองดวงโยมเพิ่งไปถ่ายรูปมานะคะเจอเป็นจิตเป็นจิตดวงเหมือนพระอาทิตย์ที่มีเมฆมีหมอกมีหมอกมาบังอยู่อะ่ะสองดวงอีกดวงหนึ่งอะ มันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นซ้อนๆๆกันเป็นหางยาวเลยนะคะเหมือนไอ้ที่โฆษณาลำโพงอะค่ะมันหางยาว อ, อีกดวงหนึ่งไม่มีอะไรนะคะแล้วโยมก็โยมก็โยมก็กลับมาเป็นปกติแล้วพอยมเดินไปล้างจานโยมก็มีความรู้สึกว่าความรู้สึกโกรธยังอยู่แต่ความรู้สึกโกรธของโยมเนี่ยอยู่นอกกายแต่ในใจโยมไม่โกรธเออต้องอย่างนั้นแล้วพอพอยมไปไปนั่ง ไป็นนั่งรอบสองนะค่ะแล้วท่านก็ทักโยมว่าโยมใจสบายใช่ไหมโยมก็ยังไม่ปิ๊งว่าว่าคืออะไรพอพอวันลุ่งขึ้นโยมไปนั่งนึกว่าไปประมวลเหตุการณ์โยมก็ถึงนึกว่าอ๋อที่โยมใจสบายแล้วแล้วโยมก็สงสัยอยู่นั่นว่าว่าทำไมโยมใจสบายวันนั้นทั้งวันนะคะโยมก็สงสัยว่าทำไมใจโยมสบายพอวันรุกขึ้นโยมประมวลเหตุการณ์แล้วก็ก็คิดได้ว่าอ๋อ ที่ตอนเช้าเนี่ยคือเราเห็นเห็นจิตความโกรธกับความไม่โกรธมันแยกจากกา<อ>ันถูกไหมคะอืแล้วก็ไอ้ที่ที่มีความรู้สึกว่าความโกรธอยู่นอกกายเนี่ยความโกรธมันไม่เข้ามาครอบงาจิตใจเราใช่ัชหมคะใช่เราถึงได้ใจสบายใช่ใช่ใชหมคะใช่ค่ ะ, ะแล้วทัานนั้นตอนนี้พอพอวันนี้พอเห็นรูปเนี่ยโยมก็เลยสงสัยอย่างหนึ่งว่าไอ้ที่เห็นเป็นดวงเมฆงอกนั่นะ ไอ้เมฆหมอนั่นนะคืออสวะหรือเปล่าคะอสวรครบครับเป็นความปรุงแต่งของจิตนะอ๋อเป็นความปรุงแต่งค่ะอสวรนี่จะเนียนมากเลยเอ๋อเหรอคะค่ะกลาวขอพระคุณค่ะกับนรัสกาหลวงพ่อค่ะคือสอบถามว่าโดยปกติแล้วค่ะถ้าเรามีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ด mm ี hmm. ก็ตามแล้วเรายกยกใหม่อย่างเงี้ยเอาสติมาไว้กับการรู้รูปประคำหรือรู้ร่วมหายใจ มันถือว่าเป็นการเพ่งหรือดึงเกินไปหรือเปล่าครับบังคับแรงไปนะบังคับแรงไปแค่รู้ทันสภาวะอะไรเกิดก็แค่รู้ทันน ะ, ะไม่ต้องพามันหนีมาอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรอกนะไม่งั้นมันหนีใจจะเครียดไหเครียดไหมละ่ะเครียดค่ะเครียดสิเพราะว่าเราดึงกลับมาใช่ไหมใช่เราไปบังคับมันจิตเนี่ยเป็นของที่ไม่ชอบให้ใครบังคับเลยนะ<ช>แต่จิตเนี่ยชอบไปบังคับคนอื่น อย่างร่างกายจะแก่นะจิตก็โมโหนะไม่อยากให้มันแก่อยากจะบังคับมันให้หายแก่ใช่ไหมมันจะเจ็บก็อยากบังคับให้หายเจ็บเนี่ยแล้วจิตไม่ชอบให้คนอื่นบังคับมันนะแต่มันเที่ยวไปแทรกแซงบังคับคนอื่นตลอดเลยบางทีบังคับออกไปข้างนอกเลยอย่าไปบังคับมันแลบังคับเราเครียดแล้วบางทีเหมือนกับเอ่อรู้รู้รวมหายใจอยู่หรือว่ารู้รูประคอยู่หรือบางทีคุยคุยอย่างเงี้ยค่ะจิตมันจะไปจับชีพประจอนถ้ามันจับเองช่างมัน แต่เวลามันจับตุบๆเนี่ยอย่าให้จิตเราไหลเข้าไปที่ตุบๆนะดูห่างๆถ้าจิตมั น, มนเต้นชีพจรเต้นตุบๆๆเดี๋ยวจิตไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยูอย่เนี่ยไม่ดีในการไปเพ่งชีพจระล้วแล้วดู<ก> ส, บสบายๆดูเหมือนเห็นชีพจรคนอื่นเลยอยู่ห่างๆค่ะอีกคำถามนึงนะคะคือก่อนนอนเนี่ยค่ะก็จะพยายามรู้รวมหายใจพอรู้ไปสักพักมันก็จะมาอยู่ที่ชีพจรอีกก็ตึบๆไม่เป็นไรดูอย่างนนั้ได้ ก็<ช>แค่เห็นชีพจรมันเต้นใจเป็นคนดูนอย่างนันค่ะแล้วระหว่างที่หลับอะคะเหมือนเราจะฝันหรือว่าจิตไปไหนก็ไม่รู้แต่เหมือนเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกจริงไปไปแบบว่าเป็นเรื่องไปราว บ, บางทีก็ถึงขั้นแบบมีน้ําตาไหลออกมาจากเรื่องธรรมดาฉิตฝันกับจิตคิดนะอันเดียวกันค่ะเีงแต่จิตคิดตอนหลับเราเรียกว่าฝันค่ะจิตฝันตอนตื่นเราเรียกว่าคิดอันเดียวกัน นะคิดไปก็ปรุงไปก็เกิดสุ ข, สขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นได้ค่ะนี่คือควรทำในรูปแบบก่อนนอนนะคะทำเด็ดทำค่ะแต่อยา่าให้เครียดนะค่ะ<า>ต้องทำแล้วสบายาอย่าไปตรึงความรู้สึกเอาไว้ค่ะนะต่อไปส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะหลวงพ่อฟังแผ่นหลวงพ่อมาสองปีครั้งแรกฟังนี้แล้วก็ แผ่นวิธีปฏิบัติธรรมอะคะ่ะโดยใช้ทำงานบ้านกวาดบ้านดูอารมณ์ตอนนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่ดือ้อไม่เกินเดือนก็จะเห็นว่าความทุกข์มันกระเด็นออกไปของโยมก็ประมาณสาอาทิตย์นะคะอไอ้ที่แน่นๆมันก็กระเด็นออกไปทีนี้เมื่อช่วงต้นปีพ่อโยมเสียชีวิตนะคะจิตมันนิ่งมากแล้วก็ออกแนวแบบ เหมือนเบิกบานนะคะเนื่องจากว่าดีเนื่องจากว่าเห็นว่าเขาทุกทรมานกับร่างกายอะไรแบบนี้นะคะ่ะนึกว่าเห็นว่าโลกไม่เที่ยง ม, ม, มันก็ไม่เ<ใ>จอแล้ ว, วทีนี้เขาหายเจ็บค่ะคือมันนิ่งๆมันไม่ข้าควรอะไรเพราะว่าพอยมจิตมันเวียงไปคิดเรื่องเก่าๆอะคะ่ะมันก็กลับมาอยู่กับลมหายใจ ก็เลยรู้สึกว่าแม้แต่เราจะค้าควรถึงเนี่ยมันก็ยังสั่งมันไม่ได้อะไรห้ามไม่ได้นะนะคะทีนี้ปัญหาของโยมตอนนี้มันมีจิตมันเวียงไปคิดอยู่บางเรื่องบ่อยๆก็ไม่ทราบว่าจะภาวนาเป็นกลางกับมันไว้นะใจไม่อยากให้ไปคิดให้รู้ทันอะไรเงี้ยหรือใจมันอยากจะไปคิดก็รู้ทันมันรู้ลงมาที่ใจของเรายินดีที่มันไปคิดหรือยินร้ายที่มันไปคิดคอรู้ทันตัวนี้ไป คือโยมก็เห็นว่าบางครั้งโยมก็ชอบที่จะคิดนั่นแหละมันชอบนะให้รู้ทันนะแล้วมันก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นนะหลวงพ่อไม่คิดได้นะไม่ได้ไม่ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้าใจมีความยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันมันให้รู้ตัวที่ว่ายินดียินร้ายคือ ช, ชอบหรือไม่ชอบชความผิดดีใช่ไหมชอบหรือไม่ชอบดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เอใจต้องอยู่กันเนื้อกับตัวนะอย่าให้ใจไหลไปอย่าให้ใจอ่อน เคลื่อนเคลื่อนออกไปรู้สึกตัวให้มีชัดชัดขึ้นหน่อยขอบคุณค่ะอ่ะคนสุดท้ายละการนมัสการหลวงพ่อครับคือหลังจากที่ไปทำโคสกเขาบอกผู้ชายครับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อดูออกน่ะขอบคุณครับเขากลัวหลวงพ่ อ, อสับสนมีผู้หญิงสิบเอดคนอ่ะว่าไปครับคือ หลังจากที่ไปทำในรูปแบบเพิ่มก็รู้สึกว่ามีความตั้งมั่นขึ้นบ้างขึ้นขึ้นลงลงตามตามที่บางทีมันก็ดีบางทีก็ไม่ดีไปเรื่อยๆ hmm. แต่ถ้าที่จับสังเกตตัวเองดูคือเป็นคนที่ไม่สามารถทำความสงบได้เลย hmm. พอเริ่มหายใจปับไปสักพักหนึ่งจะเริ่มเห็นร่างกายมันมันเป็นกรอบอยู่หมายถึงว่าเห็นขอบนอกร่างกายแล้วก็เห็นความคิดมันหมุนมุนมุนมุนมุน เพียงแต่ว่าโอเคว่ามันแยกอยู่แต่ว่าเท่าที่สังเกตคือไม่เคยทำความสงบได้ครับนะใจมันไม่ยอมมันจะเดินตัญญามากไปนระก็นะต้องน้อมใจเขาหาความสงบบ้างต้องน้อมน้อมไปนะน้อมไปอยู่กับพุโทโธน้อมไปอยู่กับลมหายใจถ้าจิตไม่มีกำลังนะไม่สงบเนะี่ยจะไม่มีแรงแล้วมันไม่ตั้งมั่นเวลาไปรู้สภาวะนะอย่งเห็นกรอบของร่างกายจิตมันไหลเข้าไปรู้ นะหรือมันเห็นอะไรหมุนอยู่ข้างในแนละ้วมันไหลเข้าไปตรงที่หมุนหมุนเป็นไหมเออเดี๋ยวจิตมันไม่ตั้งมัน่นถ้าตั้งมั่นมันจะตั้งเป็นคนดูอยู่มันไม่ไหลเข้าไปเนี่งนั้นถึงจะดีอืถ้าอย่างนั้นผมขอวิหารธรรมที่คิดว่นนาน่าจะรู้ท<า>นันจิตที่ไหลเข้าไปคอยรูร้ทันจิตที่ไหลบ่อยบ่อยนะ๋ย่ <unmute. S 1> จิตมีแตตั้งขึ้นมามีแรงส่วนคําถามสุดท้ายคือปกติไม่ค่อยรู้สึกว่าสงสัย เป็นเพราะว่าพอพอสงสัยแล้วรู้ว่าสงสัยมันก็มันก็ไม่สงสัยเนี่ยรู้แต่ว่าพี่เนแล้รู้สึกว่าเอออาจจะยังทําไม่พอหรือไม่ตั้งมั่นพอหรืออย่างนั้นคือไม่ได้ผิดปกติอะไรใช่ไหมที่ไม่สงสัยไม่ผิดปกติดีบางคนเอาแต่สงสัยนะแล้วค้นคว้าไปด้วยเลยไม่ยอมดูของจริงยังทําไมหลวงพ่อสอนบอกว่าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยถ้ารู้แล้วเราจะเห็นอะไรเราก็จะเห็นว่าความสงสัยก็เป็นแค่สภาวะอันนึงเกิดแล้วก็ดับ เท่าๆกับสภาวะอื่นนะที่เราหัดภาวนากันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาทําไมมันเกิดเป็นธรรมดาถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดนี่แหละมันธรรมดาละถ้ามันไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดถ้าไม่มีเหตุแล้วเกิดได้เนี่ยเรียกว่าสิ่งใดเกิดไม่ธรรมดาเป็นไปไม่ได้ไม่มีดูไปเรื่อยนะจนกรทั่งเห็นในทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ มีแต่สภาวะธรรมไม่มีเรานะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับขอทุกท่านช่วยกล่าวตามนะครับเพราะว่ามีญาติโยมหลายท่านก็ได้นำของมาถวายนะครับข้า mm hmm. พเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย mm hmm. เครื่องปัจจัยไยธรรม mm hmm. กับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ได้พระอาจารย์ประโมทปราโมชโชว์ <st> ange, ขอพระอาจรารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์ <st utter> เพื่อความสุขกับ <st utter> ข้าพเจ้าและครอบครัวตาบสิ้นกาลนานเทินยถาวอริวะาบุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวอยโตดินนางเปตานางอุปกะปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรสโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโภวินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังอุทาปัจจายิโน จตารโรธรมาวทันเตียอายุวันโนสุ ข, ขังพะลังหลวงพ่อไปแล้วนะอย่าลืมนะไม่ต้องภาวนาอะไรมากหล้วภาวนาสองอย่างเท่านั้นแหละนะทำในรูปแบบนในชีวิตประจำวันเท่านั้นแหละวันวันหนึน่ง